วันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานเป็นวันที่ญาติโยมชาวพุทธทศาสนิกรชนผู้ที่มีศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดกันเพื่อมาเติมพลังมาเติมกำลังให้แก่จิตใจ จิตใจที่เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่ต้องแวะเข้าสถานีบริการอยู่เรื่อยๆพอต้องแวะเติมน้ำมันเติมน้ำเติมลมเติมอะไรต่างๆให้แก่รถยนต์เพื่อรถยนต์จะได้เดินทางไปไหนมาไหนได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพไม่ต้องจอดแวะข้างถนนเวลาน้ามันหมดจิตใจของพวกเราเป็นเหมือนรถยนต์ที่กำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราอยากจะไปกันนั่นก็คือไปบ้านของพวกเรานั่นเองบ้านของจิตใจของพวกเรา อพันิพานเป็นบ้านที่เราจะมีความสุขสมบูรณ์ปราศจากความทุกข์ต่างๆการที่เราจะไปบ้านได้เราต้องมีอุปกรณ์คือรถยนต์คือใจของพวกเราจำเป็นที่จะต้อง มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ถึงจะไปถึงบ้านของพวกเราได้ไปถึงพระนิพพานได้เราจึงต้องเข้าวัดกันเพื่อที่จะได้เติมพลังให้แก่จิตใจสิ่งที่จะให้พลังกับจิตใจก็คือการทำบุญทำทาน การรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นการกระทาที่จะเพิ่มพลังให้แก่จิตใจที่จะสามารถผลักดันให้ไปถึงบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่มีแต่ความสุขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฟังเทศฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแผนที่บอกทางที่จะพาให้เรากลับไปสู่บ้านของพวกเราได้ถ้าเราไม่มีธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่มีแผนที่เราจะไม่มีผู้บอกทางเราจะไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราได้กลับไปถึงบ้านของพวกเราได้เราจึงต้องดูแผนที่อยู่เรื่อยๆการจะดูแผนที่ได้ก็ต้องไปวัดเพราะที่วัดจะมีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราจะได้ยินได้ฟังแล้วเราจะได้รู้จากทางที่จะพาให้เรากลับไปสู่บ้านของเราเราจําเป็นที่จะต้องแวะดูแผนที่อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าเราดูแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมได้พอเราลืมเราก็จะหลงทาง เราก็เลยต้องดูแผนที่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นประโยชน์นั่นเองเป็นประโยชน์เป็นสุขต่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมเพราะจะได้รู้จักทาง ที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้พวกเราหลงทางกันหลงอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเราก็ไปเกิดใหม่เกิดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใหม่เราไปไม่ถึงบ้านสักทีติดอยู่กับ บ้านชั่วคราวคือพบชาติต่างๆบางทีก็เป็นพบชาติที่ดีบางทีก็เป็นพบชาติที่ไม่ดีเพราะว่าการกระทาของเราเป็นผู้กาหนดพพชาติของเรานั่นเองถ้าเราทำบุญเราก็จะได้พบชาติที่ดีถ้าเราทำบาปเราก็จะได้พบชาติที่ไม่ดี แล้วเราก็จะทำกลับไปกลับมาอย่างนี้ไปไเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันที่จะไปถึงบ้านที่ปลอดภัยจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทรงสอนวิธีให้พวกเราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกัน การเวียนว่ายตายเกิดนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุทรงค้นพบว่าเกิดจากตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตัณหาความอยากมีสามประการด้วยกันคือหนึ่งกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกามะแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ เป็นกรรมคุณห้าประการด้วยกันที่พวกเราติดกันเสพกันเบือนยาเสพติดต้องมีอะไรให้เราดูให้เราฟังให้เราได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆเราถึงจะมีความสุขเวลาใดที่เราไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้เวลา นั้นก็เป็นเวลาที่เราทุกทรมานใจเช่นเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บหรือเวลาที่เราตายเป็นเวลาที่เราทุกทรมานใจกันเราจึงต้องดิน้นหนีนิ่งไปหาร่างกายอันใหม่กันพอล่างกายอันเก่ามันตายไปเราก็เดินไปหาร่างกายอันใหม่ ความอยากนี้เป็นตัวที่จะทำให้ใจเราดิน้นทาให้ใจเราต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสบรูปเสียสงกลิ่นรสผดถะพระชนิดต่างๆต่อไปนั่นเองเราจรึงไม่มีวันสิ้นสุดในการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเมื่อตายแล้วใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ยังมีความหิวกับรูปเสียง ก, ก, งกงลิ่นรสปดทัพทะอยู่ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่และก่อนที่จะได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องว่าไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าเป็นวารัของบุญก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ยังไม่เต็มร้อยความสุข แบบของเทวดาของพรหมที่จะมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปพอความสุขหรือบุญที่ส่งให้เราไปเป็นดวงวิญญาณของเทวดาของอินของพรหมหมดกำลังลงดวงวิญญาณของเราก็มารอรับร่างกายอันใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าเป็นเวลาของบาปดวงวิญญาณของเราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นดวงวิญญาณของเปรตของอสุรกายของนรกเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยเป็นความเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่ก็เรียกว่าเปรต เป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่างๆก็เรียกว่าอาสุรกายดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านรก น, นี่คือทิศทางของจิตใจของพวกเราที่พวกเรากําลังไปกันอยู่ถ้าไม่มีธรรมะแผนที่ที่จะบอกให้เราไปสู่อิทธิทางหนึ่งคือไป ที่พาณิพานพาณิพานก็คือดวงวิญญาณที่ปราศจากความอยากต่างๆนั่นเองความอยากที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าได้พบกับธรรมะคำสั่งคำสอนก็จะถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อไม่มีความอยากอยู่หลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วเวลาร่างกายตายไป ใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสุขดวงวิญญาณที่ปราศจากตัณหาความอยากที่จะดึงให้จิตใจกลับไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดวงวิญญาณนี้เราเรียกว่าริพานนั่นเองที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนา มีพระธรรมคาสั่งคําสอนมีการมาฟังเทศฟังธรรมกันตามเวลาคำว่าตามเวลาก็คือเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆถ้าเราทาภารกิจการงานการฟังธรรมจะไม่สะดวกจะไม่มีจะไม่มีเวลาฟังหรือฟังแล้วก็ไม่เอาไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้ เพราะช่วงที่ทำงานทำการเป็นช่วงที่มีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดไตรตรองถึงเรื่องของธรรมะได้ต้องรอวันที่ว่างจากภาลิกิจการงานแล้วเราจะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมพร้อมกับปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป เพราะการฟังเทศฟังธรรมโดยไม่ได้ปฏิบัติจะไม่เกิดประโยชน์มากประโยชน์ได้ก็เพียงแต่รู้ว่าต้องทำอะไรรู้ว่ากำลังหลงทางอยู่รู้ว่ากำลังไปปิดไปผิดทางแต่ถ้าไม่ยูเทินไม่กลับรถก็ยังจะวิ่งไปในทางเดิมอยู่ต่อไปการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการกลับรถ กับจิตใจของเราจากการไปในทางของการเวียนว่ายตายเกิดให้กลับมาสู่การไม่เวียนว่ายตายเกิดด้วยการมาหยุดกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเมื่อกี้พูดถึงกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพลาความอยากชนิดที่สองเรียกว่าภาวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นทุกคนนี้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใครไม่มีใครที่ไม่มีความอยากถามดูอยากจะเป็นอะไรอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอำนาจวาสนาอยากมีเกียรติมีหน้ามีตาเรียกว่าภาวะตัณหา แล้วก็มีตัณหาอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายไม่อยากยากจนไม่อยากเป็นคนต่ำต้อยไม่อยากให้เขาด่าว่ากล่าวทะลหานินทา น, นี่เป็นความอยากที่จะทำให้ใจดิ้นใจไม่สงบใจจะดิ้นเข้าหาสิ่งที่อยากได้น่าจะดิ้นหนีสิ่งที่ไม่อยากได้การดิ้นนี่แหละที่ทาให้ใจไม่นิ่งไม่สงบทาให้ใจต้องไปเกิดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับ จากการที่เรามีเวลามาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันมาฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเรื่องของดวงวิญญาณของพวกเราหลังจากที่ตายไปแล้วว่าจะไปที่ไหนบ้างแล้วก็ถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว พอแล้วได้ยินได้ฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทำให้เราไม่หลงทางคือจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทางสู่ความสุขก็คือพานิพานทางสู่ทางที่จะพาไปสู่พานิพานก็คือทางแห่งทานศีลภาวนา ที่พวกเราจะต้องกลับลดกันตอนนี้ทางที่พวกเราไปกันคือทางแห่งลาบยศจราเสริญสุขพวกเราทุกคนตอนนี้แสวงหาลาบยศจราเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกยิ่นกายกันเป็นทางที่จะนำไปสู่การเวียนว่าตายเกิดเพราะการที่จะแสวงหาลาบยศสราเสริญสุขนี้ จำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรเช่ น, นต้องมีเงินทองหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดราบยศสารเสริญสุขขึ้นมาการกระทำที่จะทำให้เกิดราบยศสารเสริญสุขนี้ก็มีอยู่สองทางใหญ่ๆทางหนึ่งก็คือทางที่ไม่ไม่ทำบาป ทางที่สองก็คือทางทำบาบนั่นเองคนเราบางทีอยากได้ลาบยศสารเสรญถ้าไม่สามารถหามาได้โดยไม่ทำบาปก็มักจะทำบาปกันเพราะความอยากได้มันจะบีบบังคับให้ใจต้องไปทำบาปแต่ถ้าได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรม ได้รู้ว่าการกระทำบาปนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ไปสู่การเกิดในภพชาติที่ไม่น่าปรารถนาก็อาจจะทาให้มีความเกรงกลัวบาปและไม่กล้าทำบาปก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เข้าวัดเลยไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ฟังเรื่องบาปบุญเลยเวลาเกิดความอยากขึ้นมา อยากได้ลาบยศสารเสริญสุขถ้าไม่สามารถหาได้โดยวิธีที่ไม่ทําบาปก็จะไปทําบาปกันนี่เป็นเหตุเหตุที่พรากทําให้คนไปทําบาปกันก็เพราะความอยากในลาบยศสารเสริญสุขนี้เมื่อทําไปแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาในจิตใจทั้งในตั้งแต่ในปัจจุบันนี้เลย เวลาทำบาปนี่ใจจะไม่สบายใจจะรู้สึกวุ่นวายใจไม่สงบวิตกกังวลหวาดกลัวกับผลที่จะเกิดขึ้นถ้ามีใครเขาคนพบเนอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในใจทันทีเวลาทำบาปแล้วจะไม่สบายใจส่วนผลที่จะต้องรับจากผู้อื่นนี้เป็นผลที่ไม่แน่นอน อาจจะช้าอาจจะเร็วบางทีชาตินี้อาจจะไม่ได้รับผลเลยก็ได้ถ้าไม่มีใครรู้หรือถ้าเขารู้แล้วจับไม่ได้เช่นเราหนีเวลาเขาจะมาจับเราเราก็หนีเราก็ยังไม่ต้องไปรับโทษแต่มันจะตามมาต่อไปในภพหน้าชาติหน้าเวลาเรากลับมาจะพบหน้าชาติหน้า คนที่เราไปทาร้ายเขาไปก่อเวรก่อกรรมกับเขาเขาจะมาจองเวรจองกรรมเรานี่ที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาตามจองเวรมาจับเราไปรับโทษของการทำบาปของเราทำบาปในชาตินี้อาจจะไม่ได้รับโทษก็ได้แต่ในพกต่อไปในชาติต่อไปข้างหน้าถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขาเจอเราเมื่อไหร่ เขาก็จะจองล่างจองผานเราทันทีทำร้ายเราทันทีนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปนอกจากนั้นแล้วเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างกาย ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิญญาณที่หวาดตัวก็เรียกว่าอสูรกายหรือเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็เรียกว่านรกนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปที่เกิดจากสาเหตุ ที่มีความอยากสามประการอยู่ในใจมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ออจะบังคับให้จิตใจไปทำบาปด้วยการทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ออออในยุคสมัยปัจจุบันนี้ศีลที่จะขาดง่ายที่สุดก็คือศีลข้อที่สามคือกามเมสสวิชาจารา เดี๋นี้เด็กหนุ่มเด็กสาวไม่ได้เข้าวัดกันพอเกิดกามตัญหาความอยากจะเสพกามกันแทนที่จะไปบอกพ่อแม่ให้ไปสู่ขอให้ไปจัดพิธีแต่งงานเพื่อให้ได้เป็นเป็นของกันและกันเป็นคู่ครองกันอยู่ร่วมกันไปจนวันตายก็ไม่ได้ทํากันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบอกพ่อบอกแม่ทั้งหญิงทั้งชาย ถ้าเกิดความอยากจะเสพกามร่วมกันก็อาจจะชวนกันไปตามโรงแรมต่างๆแล้วก็ไปเสพกามกันอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทำบาปที่จะทำให้เวลาตายไปนี้จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาทำอย่างนี้นั่นเองเวลาสัตว์เดรัจฉานเขาพบกัน อย่างสุนักเดือนเก้าเนี่ยเดือนเก้านี้เราจะมีสุนักนี้วิ่งหาคู่กันว่อนไปหมดเวลาเขาเจอกันที่ไหนเขาก็จะร่วมกันทันทีร่วมเสพกามกันทันทีฉันใดคนที่ต่อพฤติผิดประเวณีก็ฉันนั้นถ้าอยากจะไม่เป็นเดรัจฉานอยากจะเป็นมนุษย์ก็ต้องทำทำให้ถูกประเพณีของมนุษย์นั่นเอง ประเพณีของมนุษย์ก็คือการมีคู่ครองคนเดียวผัวเดียวเมียเดียวและต้องมีการสู่ขอมีการรับอนุญาตจากพ่อจากแม่ของของคู่ครองก่อนแล้วมีการประกอบพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าคนสองคนนี้เป็นของกันและกัน คนอื่นห้ามเข้ามายุ่งห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าถ้าอยากจะเป็นมนุษย์นถ้ามาเกี่ยวข้องก็ถือว่าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้คือประเพณีนี้การประพฤติผิดประเพณีการมีสุเิชาจาราในยุคนี้จะเป็นยุคที่ค่อนข้างจะอะ โด่งดังหรือแจ้งชัดเนี่ยมีการกระทํากันอย่า ง, อ ย, างอย่างเปิดเผยแล้วผลที่ตามมาก็เป็นผลทางสังคมบางทีไม่พร้อมที่จะมีลูกก็พอมีลูกก็บางทีก็ต้องไปทําแท้งกันเพราะตนเองยังไม่อยู่ในวัยที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ ยังต้องมามีลูกมันก็ดูแลไม่ได้ดูแลไม่ไหวแล้วก็ไม่ไปบอกพ่อแม่ก็ไปไปทำแท้งกันอันนี้ก็ไปทำบาปอีกข้อหนึ่งการทำแท้งก็เป็นการทำปาณา ต, ติบาตเป็นการฆ่ากันหรือถ้าไม่ได้ทำแท้งถ้าบอกทางพ่อแม่ก็ต้องกลายเป็นภาระของพ่อแม่ไป เวลาคลอดออกมาก็ต้องให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงให้เพราะตนเองไม่มีกําลังที่จะเลี้ยงดูได้ต้องเรียนหนังสือหรืออย่างต้องไปถ้าไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องไปทํางานแล้วคู่ครองก็อาจจะทิ้งกันไปเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูกันสังคมเลยเป็นสังคมที่ เน่เปเป็นสังคมที่เละเทะเป็นสังคมที่เป็นเป็นภาระเป็นปัญหาเพราะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ที่เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดก็จะกลายเป็นเด็กเกเรเด็กที่ไม่มีศีลธรรมเป็นเด็กที่จะก่อเรื่องก่อราวให้แก่บุคคลอื่น สร้างปัญหาให้ก่สังคมนี่คือเรื่องของการทำบาปด้วยความอยากที่จะเสพการกันแต่ถ้าได้เข้าวัดเข้าวาได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะได้เห็นโทษของการกระทำตามความอยากด้วยการกระทำบาปว่ามันได้ไม่คุ้มเสีย มันได้ความสุขชั่วเปียเดียวตะเดีวดาวเท่านั้นเองชั่วตอนที่ได้เสพกรรมแต่พอหลังจากนั้นแล้วจะมีผลที่ปะที่ไม่ปรารถนาตามมาถ้ารู้ล่วงหน้าก็อาจจะหักห้ามจิตใจได้ถ้าเห็นภาพที่จะต้องเกิดขึ้นกับตนเองว่าเป็นภาพที่ไม่สวยงามเลยเป็นภาพที่เป็นไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจ ก็สู้หักห้ามจิตใจดีกว่าอดก็เรียกว่าอดขมไว้กินหวานดีกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเหมือนผลไม้มะม่วงเวลารออกมาใหม่ๆมันยังไม่สุกมันเปรี้ยวแต่คนอยากจะกินอดรอไม่ไหวก็มาทําเป็นมาจิ้มน้ําปลาหวานแทนเอาผลไม้เปรี้ยวมาจิ้มกับน้ําตาล แต่ถ้ารอให้มันสุกนี้ก็ไม่ต้องมาจิ้มกับน้ำตาลมาม่วงที่สุกก็จะหวานอร่อยอชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้ายังต้องการที่จะอยู่แบบมีครอบครัวก็ต้องรอให้พร้อมก่อนให้มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองและชีวิตของครอบครัวของตนเองได้ แล้วค่อยไปมีครอบครัวถ้าอย่างนี้ก็จะปลอดภัยจากปัญหาหลายๆประการด้วยกันและไม่ไปสร้างภาระให้แก่สังคมไม่สร้างภาระให้แก่ผู้อื่นเพราะตนเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับการกระทําของตนเองถ้ามีลูกก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกส่งเสริมลูกให้เจริญเติบโตให้เป็นคนดีได้ นี่คือประโยชน์ที่จะได้รับถ้าได้มาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมจะได้เห็นโทษของการกระทำบาปว่าได้ไม่คุ้มเสียผลของบาปนี้มันมีเป็นระยะยาวมันไม่ใช่เฉพาะแต่ในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นตายไปมันส่งผลกระทบต่อการไปเกิด แล้วหลังจากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีผลกลับมาอีกด้วยผู้ที่ทำบาปกลับมานี้จะเกิดมาเป็นคนที่อาภัพวาสนาไม่เหมือนกับผู้ที่กลับมาจากการทำบุญจะเป็นผู้ที่มีอะมีวาสนาบาลมีถ้าสามารถทำบุญได้จะได้สิ่งที่ดีเ <S S> ช่นถ้าเกิดมาแล้ว ไม่ไม่เกียจค้านมีความขยันหมั่นเพียรทำหน้าที่ของตนตั้งแต่เด็กเทีนตามเป็นเด็กก็ขยันไปโรงเรียนทําตามที่พ่อแม่สั่งสอนตั้งใจเรียนหนังสือเรียนจบมีคะแนนดีออกมาก็มีอาชีพที่ดีมีอาชีพที่ดีก็มีรายได้ที่ดีพออยากจะ ได้อะไรก็สามารถหามาได้โดยไม่ต้องทําบาปเพราะมีรายได้ที่จะสามารถเอาไปซื้อสิ่งที่อยากได้และถ้าถ้าถ้ามีรายได้มากก็ยังสามารถแบ่งเอาไปทำบุญได้แบ่งเอาไปทำประโยชน์เอาไปช่วยช่วยเหลือพวนมนุษย์ดละงสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ได้ การที่เราทําประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญการทําบุญก็จะมีผลเหมือนกับการทําบาปต่างกันตรงที่ว่าแทนที่จะมันจะทุกข์เหมือนกับการทําบาปมันจะให้แต่ความสุขการทําบุญนี้จะเกิดความสุขขึ้นมาที่ใจทันทีเวลาทําบุญแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่ม มีความพอไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆแล้วก็ส่วนผลที่จะได้รับจากผู้อื่นนี้อาจจะเกิดขึ้นทันทีหรือไม่ก็แล้วแต่บางทีทําความดีในชาตินี้อาจจะไม่ได้รับผลดีก็ได้คือไม่มีใครเขาชมเราไม่มีใครเขาให้รางวีรางวัลเราเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กับเราอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะเกิดอาจจะไม่เกิดในชาตินี้ก็ได้อาจจะรอไปเกิดในในชาติต่อต่อไปก็ได้ไปเกิดในชาติต่อต่อไปความดีที่เราทาไวน้นี้มันจะส่งเสริมให้เราได้ดิบได้ดีโดยที่เราไม่ต้องขวนขวาย สังเกตดูบางคนนี่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าทาไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ได้ดิบได้ดีง่ายได้นั่นก็เป็นเพราะอา น, นิสงส์ของบุญที่เขาทําในอดีตชาติมาส่งผลในชาตินี้ทําให้เขาได้ดิบได้ดีได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอย่างง่ายได้อย่างสะดวกอย่างสบายหรือได้มาเกิดเป็นคนที่มีฐานะการเงินการทองที่ดี อันนี้เป็นผลที่จะได้จากการทำบุญในชาตินี้แต่อย่าหวังรับผลในชาตินี้อย่าไปหวังว่าทำบุญในชาตินี้แล้วจะต้องได้ดิบได้ดีในชาตินี้จะต้องร่ำรวยจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนอาจจะเป็นก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้เพื่อที่จะได้ไม่ไม่ท้อแท้ต่อการทาบุญเพราะคนสมัยนี้ใจร้อน คว่าทำบุญปั๊บจะต้องได้ผลทันทีเช่นใส่บาทตอนเช้าตอนบ่ายซื้อหวยจะต้องถูกหวยทันทีพอไม่ถูกก็เลยโทษว่าบุญไม่มีแล้วเลยไ ม, ไม่ไม่ทำบุญต่อไปทำแล้วไม่ถูกหวยทาไปทาไมาเสียเงินเปล่าๆอันนี้เป็นการเข้าใจผิดบุญนี้ต้องทำ แล้วก็ทำมากทำน้อยด้วยทำน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากอย่าเอารัดเอาเปรียบกันทำบุญน้อยแต่จะเอาผลมากๆมันย่อมเป็นไปไม่ได้อยากได้ผลมากก็ต้องทำมากทำน้อยจะไปได้ผลมากได้อย่างไรเพราะทำน้อยไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อยก็เลยไม่อยากทำสู้ทำเอาเงินไปเที่ยวดีกว่า ได้ความสุขทันทีเห็นผลทันทีแต่การเอาเงินไปเที่ยวมันจะทําให้เราติดเที่ยวกันแล้วจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆพอวันไหนไม่มีเงินเที่ยวก็จะไปลักขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เงินมาไปเที่ยวเนี่ยอันนี้เป็นโทษของการที่เราเอาเงินไปเที่ยวกันมันจะทําให้เราติดเที่ยวแล้วมันจะทาให้เรา ต้องไปทำบาปต่อไปเวลาที่เราขาดเงินขาดทองขึ้นมาอันนี้สูเอาเงินไปทำบุญดีกว่าเพราะเงินทำบุญนี้จะไม่ทำให้เราติดเที่ยวกันยิ่งทำบุญเท่าไหร่ยิ่งไม่อยากเที่ยวไม่อยากใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเพราะการทำบุญนี้มันได้ความสุขมากกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการเอาเงินไปเที่ยวกัน ความสุขได้จากการไปเที่ยวสุขเด๋ยวเดียวสุขปลายแบบแบบควันควันไฟตอนไปเที่ยวก็สนุกสนานเฮฮากันพอกลับบ้านก็เศร้าส้อยหงอยเหงาเหมือนเดิมแต่ไปทำบุญแล้วกลับบ้านจะไม่สร้อยเศร้าเหงาหงอยทำบุญแล้วกลับบ้านจะมีความอิ่มมีความสุขมีความปิติอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้คนที่ทาบุญแล้วจะเห็น ประโยชน์ของการทําบุญก็จะสามารถเดินไปในทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เดินไปคือเดินไปในทางที่จะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก้นต้นเราก็ใช้การเอาเงินที่ไปใช้กับความอยากต่างๆมาทําบุญแล้วเราจะได้หยุดความอยากเหล่านั้นได้ถ้าเราทำบุญเรื่อยๆต่อไปเราจะไม่คิดที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือย ไปซื้อของหรูหราของอะไรต่างๆเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นความสุขเดียวๆของที่ซื้อมาให้เราความสุขตอนที่เราซื้อมาตอนใหม่ๆเท่านั้นเองพอเวลาผ่านไปไม่กี่วันของที่ซื้อมาไม่มีความหมายเสียแล้วไม่เหมือนกับของที่ยังอยู่ในร้านนี่พอไปเห็นของที่อยู่ในร้านนี่มันดูดใจขึ้นมาทันทีแต่พอมันมาอยู่บ้านเราแล้วมันไม่ดูดใจเราเสียแล้ว เสียงเงินไปแล้วได้ความสุขจากมันแล้วเป็นเหมือนมะนาวหรือผลไม้ส้มที่เราบีบคั้นพอเราบีบเอาน้ำออกหมดแล้วกากมันก็ไม่มีความหมายแล้วของต่างๆที่เราซื้อมาไม่ว่าจะมีราคา ม, มากน้อยเพียงไลมันให้ความสุขเราแค่ตอนช่วงที่เราซื้อมาเท่านั้นพอหลังจากนั้นแล้วมันก็เป็นเหมือนกา ก, ากผลไม้ไปไม่มีไม่มีความดูดเดิม แก่จิตใจจิตใจมันจะไปดูดเลนกับของที่ยังไม่ได้ซื้อมาพอไปเดินเที่ยวตามห้างใหม่ตามร้านใหม่เห็นของใหม่ก็อยากจะได้ขึ้นมาทันทีนี่คือปัญหาถ้าเราใช้เงินตามความอยากมันจะอยากใช้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาขาดเงินขาดทองขึ้นมาแต่ความอยากใช้เงินมันไม่หายไปกับการขาดเงินขาดทอง มันก็เลยจะบีบบังคับให้เรานี้ไปทําบาปกันนี่คือเรื่องของวิธีการดําเนินทางไปสู่การหลุดพ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเริ่มที่การทําบุญทําทานถ้าเรามีเงินที่จะไปใช้กับการไปเทีย่ยวไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นถ้าเอาเงินนั้นไปทําบุญทําทานจะเป็นประโยชน์กว่า จะดึงเราออกจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ในระดับแรกตัดความอยากที่จะดูดให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยเอดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราทําบุญได้เราไม่ต้องใช้เงินถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องไปทําบาปได้มันก็จะทําให้เราหยุดการกระทําบาปที่จะดึงให้ใจเราไปติดไปเกิดในอบายได้ คนที่ทาบุญทำทานนี้จะสามารถรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายได้คนที่ไม่ทาบุญนี้จะรู้สึกว่าการรักษาศีล น, นี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามีความอยากจะใช้เงินตลอดเวลานั่นเองก็เลยทำให้เวลาขาดเงินขาดทองก็เลยต้องไปทำบาปหรือถ้าไม่ขาดเงินขาดทองก็อยากจะได้มากมากอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆ วิธีที่จะได้มากๆง่ายๆเร็วๆก็คือวิธีทําบาบนี่ก็จะทําให้ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ทางสู่พระนิพพานนี้ต้องผ่านการทําบุญทําทานผ่านการรักษาศีลห้าก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วถึงจะขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปดต่อไปศีลห้า น, นี้ยังไม่พอต่อการที่จะ กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นอกจากศีลห้าแล้วก็ต้องเพิ่มเพิ่มเป็นศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยิบเจ็ดศีลเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะคอยหยุดความอยากต่างๆหยุดการกระทำตามความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปแต่มันยังไม่หมดยังไม่ตายเพียงแต่ห้ามมันไว้แต่ความอยากมันยังดิ้นอยู่ในใจ วิธีที่จะทำให้ความอยากที่ดิ้นอยู่ในใจนี้มันหยุดดิ้นก็ต้องมาขั้นที่สามคือขั้นภาวนาถ้ารักษาศีลแดได้เราก็จะมีเวลามาภาวนากันถ้าเรายังรักษาศีลแปดไม่ได้จะไม่มีเวลาเพราะศีลห้าไม่ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นการไปเที่ยวการไปกินไปดื่มไปรับประทาน ที่ไหนเวลาไหนทำได้ตลอดเวลาถ้าเราถือศีลห้าแต่ถ้าเราถือศีลแปะ น, 8, นี่จะถูกห้ามทันทีรับประทานอาหารก็ห้ามไม่ให้รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้อยู่บ้านก็ดูมหโหระพบันเทิงต่างๆไม่ได้ให้ยุติกิจกรรมทางการอลมสมบ์ทางกรรมมมางก ร, รมตัตหา เพราะถ้าเราไปทำกิจกรรมทางการมัตต์หาเราจะไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความอยากที่มันดิ้นอยู่ในใจของเราเราเลยต้องถือศีลแปดกันแล้วก็เอาเวลาที่ว่างจากการทำกิจกรรมต่างๆนี้มามาเจริญสติกันเพราะการเจริญสติเป็นเครื่องมือที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มันดิ้นอยู่ในใจได้ ถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่มีวันที่จะทำให้ใจสงบได้เราไม่มีวันที่จะทำให้ความอยากนี่หยุดทำงานได้ต้องฝึกสติกันการจะฝึกสติก็ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมต้องเป็นสถานที่ที่สงบสงัดตาสจากละรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ถ้าอยู่ยใกล้กับพวกรูปเสียงกลิ่นลสดมันจะมารบกวนใจได้ยินเสียงก็จะเกิดความอยากขึ้นมาเห็นรูปก็อยากก็เกิดความอยากขึ้นมาต้องไปอยู่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นลสดเช่นไปอยู่ในวัดวัดที่มีการปฏิบัติวัดที่มีการปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามป่าตามเขากันอยู่กับธรรมชาติเพราะรูปเสียงกลิ่นนส ของธรรมชาตินี้ไม่มากระตุ้นให้เกิดความอยากไม่เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสของของบ้านของเมืองรูปเสียงกลิ่นรสที่อยู่ในบ้านอยู่ในเมืองนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่จะคอยมากระตุ้นความอยากของเราเดินไปที่ไหนเห็นเขาติดป้ายโฆษณาก็อยากได้ละเห็นสินค้าที่เขาติดโฆษณาเห็นเสื้อผ้าเห็นรองเท้าเห็นอะไรที่เขาโฆษณาขาย เห็นแล้วก็เกิดตัญหาความอยากขึ้นมาทันทีได้ยินเสียงอะไรก็เกิดความอยากจะฟังทันทีแต่ถ้าทางการจะทำใจให้สงบหยุดความคิดหยุดความอยากจึงต้องไปอยู่ในที่ที่มีแต่รูปเสียงกินรสที่เป็นของธรรมชาติเพราะของที่เป็นธรรมชาตินี้จะไม่มากระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นจะทาให้สามารถควบคุมความคิด ควบคุมความอยากได้ทำให้จิตสงบได้พอจิตสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าใครสามารถเข้าถึงความสุขอ น, นี้ได้แล้วก็แสดงว่าใกล้ถึงพระนิพพานแล้วได้เข้าสู่ชาญเมืองของพระนิพพานแล้วคือความสงบ แต่ยังไม่เข้าถึงตัวเมืองเพราะว่าความสงบที่ได้จากการเจริญสติการนั่งสมาธินี้ยังเป็นความสงบชั่วคราวอยู่เพราะเวลาไม่เพราะจะไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลานั่งได้เป็นพักๆนั่งได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องออกจากสมาธิมาเพราะยังมีภารกิจที่จะต้องทำเกี่ยวกับร่างกายอยู่ ร่างกายต้องขับต้องถ่ายร่างกายต้องรับประทานต้องดื่มน้ำแล้วยังต้องมาดูแลสถานที่อยู่อาศัยทำความสะอาดซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆจึงไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้ตลอดเวลาเข้าได้เป็นบางช่วงบางเวลาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิความอยากก็เกิดขึ้นมาได้ไหม่ ความอยากนี้อาจจะไม่ต้องเห็นก็ได้เพียงแต่คิดถึงสิ่งที่เคยเห็นในอดีตก็เกิดความอยากขึ้นมาได้เช่นคิดถึงแฟนนี่พอคิดทบับนี้ก็เกิดความอยากที่จะไปหาแฟนขึ้นมาคิดถึงขนมก็อยากจะไปหาขนมกินอันนี้เพราะว่าเวลาออกมาจากสมาธิใจก็เริ่มคิดได้ยิ้นที่การที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าต้องการจะควบคุมความอยาก ก็ต้องเจริญสติต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดควบคุมความคิดให้คิดแต่เรื่องที่จำเป็นต้องคิดเท่านั้นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดก็อย่าไปคิดเช่นออกมาก็ให้พุโทโธพุโทโธพุทโธไปหรือให้เราเฝ้าดูการกระทําของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ให้ใจทำไปกับการกระทําของร่างกาย กำลังแปลงฟันก็ให้แปลงฟันไปกับร่างกายกำลังล้างหน้าก็ล้างหน้าไปกับร่างกายกำลังหวีเผ้าหวีผมอาบน้ําแต่งตัวก็ให้อยู่กับการทํางานของร่างกายไปคืออย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่เท่านั้นแล้วใจจะควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้พอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ก็ต้องบังคับให้นั่งสมาธิต่อไปเพื่อที่จะได้กลับเข้าไปสู่ความสงบกลับไปสู่ความสุขทุกครั้งที่เราอยากจะได้ความสุขก็เปลี่ยนวิธีหาเมื่อก่อนเราหาความสุขจากการทำตามความอยากอยากดูอะไรเราก็ดูอยากฟังอะไรเราก็ฟังอยากจะดื่มอะไรเราก็ดื่มอยากจะรับประทานอะไรเราก็รับประทานแต่พอเรานั่งสมาธิได้แล้วทีนี้เราต้องหยุด หาความสุขแบบที่เราทำตามความอยากกันทุกครั้งอยากจะดูอะไรก็ให้ไปนั่งสมาธิแทนอยากจะฟังอะไรก็ไปให้นั่งนั่งสมาธิแทนอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาก็อย่าดื่มการดื่มการรับประทานนี้ต้องมีเหตุมีผลไม่ดื่มด้วยความอยาก เช่นถ้าร่างกายหิวน้ำก็ให้น้ำเปล่าๆก็พอไม่จำเป็นจะต้องเป็นน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเช่นเป็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆอันนี้เป็นการเติมความอยากทำตามความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองถ้าร่างกายหิวน้ำก็กินน้ำเปล่าๆก็พอแต่ถ้าเ ป, เป็นน้ำที่มีกลิ่นของกาแฟมีสีของกาแฟอันนี้มันเป็นความอยากแล้ว พออยากในกลิ่นของกาแฟาอยากในรสของกาแฟาอยากในรูปของกาแฟาขึ้นมาอันนี้ต้องไม่ทำถ้าอยากจะตัดการเกิดแก่เจ็บตายตัดการเวียนว่ายตายเกิดต้องตัดความอยากในกามไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมเป็นของรับประทานทั้งหลายถ้าจะรับประทานหรือดื่มให้รับประทานตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกาย การลับประทานก็ควรจะมีเว ล, เวลาสำหลับผู้ปฏิบัติถ้าได้กำลังจากสมาธิแล้วนี้จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากกินอะไรได้มากสามารถกินมื้อเดียวก็อยู่ได้ไม่ต้องกินวันละหลายหนกินวันวันละครั้งก็พอนี่คือวิธีกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาเอาความจำเป็นทางร่างกายมาเป็น เป็นเครื่องมือเป็นทางออกบางทีอยากอยากกินกาแฟก็อ้างว่าต้องดื่มน้ําให้ร่างกายถ้าอยากจะดื่มน้ำให้นั่งกายก็ดื่มน้ําเปล่าๆไปไม่ต้องดื่มน้ํากาแฟถ้าอยากจะกินก็รอให้ถึงเวลากินอาหารกินแบบกินยาเวลากินยานี้เราไม่ได้ไปอยากกินกันเรากินเพราะว่าถึงเวลากินหมอสั่งให้กินเวลาสาเวลาก็กินไปตามเวลา พระพุทธเจ้าก็สั่งให้นักปฏิบัติธรรมให้ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้กินวันละครั้งก็พอทุกองควัดของพระมิสิบสามข้อหนึ่งในสิบสามข้อก็คือให้ฉันมือเดียวแล้วถ้าอยากจะฉันเพื่อตักกิเลสก็ให้เอาอาหารที่จะรับประทานนี้มารวมในภาชนะอันเดียวอาหารทุกอย่างมารวมกัน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีก็รวมกันในชามก่อนก็ได้ในบาตรก่อนก็ได้คุกมันเข้าไปให้มันเห็นสภาพเวลาที่มันเข้าไปในท้องมันจะเป็นอย่างไรให้กินอาหารแบบนั้นแล้วจะตัดความอยากในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงของอาหารได้ตอนนี้เรายังเลือกรูปรสกลิ่นเสียงของอาหารอยู่ใช่ไหต้องกินอาหารชนิดนี้ก่อนต้องแยกกัน ไปยากมันทำไมเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีทำมไม่กินทีเดียวพร้อมกันเลยอันนี้แหละคือการกินแบบทำลายความอยากกินโดยไม่มีความอยากกินแบบกินอย่างต้องเอาอาหารทุกชนิดที่จะเข้าไปรวมกันในท้องนี้มารวมกันในในชามในในบาทแล้วก็คุกคนมันเหมือนเวลาที่มันอยู่ในท้องแล้วค่อยกินเข้าไป นั่นแหละเขาเรียกว่าข้าวหมาเนี่ยกินแบบกินข้าวหมาทำไมเราเลี้ยงหมาถ้ามันเราทำอย่างนี้ได้ทำไมเลี้ยงเราทำไมเราทาไม่ได้หมามันก็มีหัวใจเหมือนกันแต่หมามันก็เลือกไม่ได้มันก็ยินดีมันกินอย่างอร่ออร่อยถ้าเราเลือกไม่ได้เราก็จะกินอย่างอร่ออร่อยเหมือนกันแล้วเราจะไม่มีปัญหาเรื่องกินต่อไปจะกินอะไรก็กินได้หมด ตอนนี้มีปัญหามากอันนั้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้เบื่อบ้างเอไม่ชอบบ้างกว่าจะกินหาได้แต่ละครั้งนี้บางทีต้องขับรถไปหลายกิโลใช่ไหมขับรถไปตามร้านเปิดพิจารณาต่างๆเพราะเขาบอกว่าอาหารร้านนี้อร่อยอย่างนั้นนอร่อยอย่างนี้อันนี้เรียกว่ากินตามความอยากถ้ากินเพื่อทําลายความอยากกินเพื่อทําลายภพชาติต้องกินแบบที่พระพุทธเจ้าสอนฮะ อย่าไปเลือกมันกินตามมีตามเกิดอย่าไปแยกอย่าไปวุ่นวายกับมันมีอะไรก็ยัดยัดเข้าไปในปากกินเข้าไปให้มันเข้าไปในท้องให้มันอิ่มก็พอเหมือนกับการรับประทานยาฮะรับประทานยานี่เราก็ยัดเข้าไปในปากแล้วดื่มน้ำเกินเข้าไปจบรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเกี่ยวกับอาหารมันจะหมดไป ต่อไปเมื่อยังไม่ถึงเวลากินอาหารมันจะไม่อยากกินเพราะมันไม่มันไม่มีความสุขกับการรับประทานอาหารแล้วเราตัดมันไปแล้วเรามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าทาใจให้สงบกินอาหารเสร็จก็ไปนั่งสมาธิถ้านั่งแล้วดับก็อย่าเพิ่งนั่งเดินไปเดินจงกรมก่อนเวลากินอาหารใหม่ๆท้องมันนั่นหนังท้องมันป็นหนังตามันจะหย่อน ถ้ามันจะหลับก็อย่าเพิ่งนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปเจรานติไปควบคุมความคิดต่างๆก่อนไปหยุดความคิดเกี่ยวกับความอยากต่างๆก่อนด้วยการใช้คําบาลีรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการเท้าดูเท้าที่กําลังเดินอยู่เดินไปทางก้าวซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปพอสุดทางก็หมุนกลับแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไป พอสุดทางก็หมุนกับซ้ายขวาซ้ายขวาไปเดินไปอย่างนี้จนรู้สึกเมื่อยอยากจะนั่งพักก็ไปนั่งสมาธิต่อไปนั่งสมาธิก็จะพุโทโธพุโทโธต่อก็ได้หรือจะดูลมหายใจต่อก็ได้ถ้าดูลมหายใจก็ดูที่ปลายจมูกให้ดูว่าลมกาลังเข้าหรือลมกาลังออกลมสั้นหรือลมยาวลมหยาบหรือลมละเอียด ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องไปบังคับให้มันหายใจเล็กๆยาวๆปล่อยให้มันหายใจตามปกติของมันมันจะหายใจยาวก็ให้มันหายใจยาวมันจะหายใจสั้นก็ให้มันหายใจสั้นลมมันจะหยาบก็ปล่อยมันหยาบมันจะละเอียดก็ปล่อยมันละเอียดไม่ต้องไปตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูที่จุดเดียวดูตรงที่จุดเข้าออกตรงปลายจมูกะ ลมจะออกลมจะเข้ามันจะต้องไปสัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกให้ดูตร ง, ตงจุดนั้นจุดเดียวจิตถึงจะนิ่งจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปตามมันมันจะไม่สงบถ้าตามเข้าลมเข้าไปถึงปอดก็เข้าไปตามมันลมมันออกมาถึงข้างนอกก็ตามมันออกมาถ้าทำอย่างนี้จิตจะไม่นิ่งจิตจะไม่สงบจิตมันยังจะปรงแต่งยังจะคิดอยู่เรื่อย ดังนต้องให้มันดูเฉยเฉยไม่ต้องไปคิดให้รู้เฉยเฉยเราต้องการหยุดความคิดหยุดการกระทําของจิตใจถ้าดูเฉยเฉยได้เดี๋ยวจิตก็จะสงบเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็พยายามรักษาให้มันอยู่ในความสงบนั้นไปนานๆถ้านั่งด้วยมีด้วยด้วยสติแล้วจะไม่มีอะไรให้มาให้เราเห็นคนที่นั่งแล้วเห็นนู่นเห็นนี่เพราะว่าไม่มีสติ นั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งเป็นผ้าบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่บ้างแล้วก็หลงตามเนี่ยสาเหตุที่คนนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากันก็เป็นแบบนี้เพราะนั่งแบบไม่มีสติไม่ควบคุมความคิดไม่ควบคุมการกระทาของใจปล่อยให้ใจผลิตอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา นี่ที่คนเป็นบ้ากันก็เพราะเป็นบ้าแบบนี้นั่งโดยไม่มีสติเพราะว่าไม่ศึกษาไม่มีคนสอนหรือศึกษาก็ไม่เข้าใจคิดว่านั่งสมาธิง่ายนั่งเฉยๆหลับตาเฉยๆแล้วดูมันว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่วิธีนั่งสมาธิถ้านั่งดูเพื่อให้ดูว่ามีอะไรปรากฏขึ้นมานี่ไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิกอามงดูดู ดูภา พ, พยนตร์ถ้านั่งแบบนั้นเหมือนกับดูภา พ, พยนตร์ใจเรานี้เหมือนเป็นโรงภา พ, พยนตร์พอเรานั่งหลับตาแล้วเดี๋ยวมันก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ฉลาดเราไม่คิดเราไม่รู้ว่ามันเพลงเป็นภาพหลอกเราก็จะไปหลงว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาแล้วก็จะหลงตามมันได้แล้วจะกลายเป็นคนเสียสติได้ แต่ถ้านั่งด้วยการมีสติช่นมีควบมีพุโทโธพุธโทโธควบคุมใจตลอดเวลาหรือมีการดูลมหายใจอย่างตลอดเวลาใจจะไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นถ้ามีก็จะเห็นแค่วับเดียวแล้วก็หายไปเราอย่าไปสนใจถ้ามันจะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาในขณะที่เรานั่งบางทีมันจะมาหลอกเราว่าตัวเราพองขึ้นบางทีก็ตัวหดลงบางทีก็ตัวลอยขึ้น ของอาการเหล่า น, นี้เราอย่าไปให้ความสําคัญให้ความสําคัญอยู่กับพุทโธพุทโธหรือให้ความสําคัญกับการดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วเดี๋ย ว, ยวอาการต่างๆที่มันมาหลอกเรามันก็จะหายไปอย่าไปให้ความสําคัญกับอะไรทั้งสิน้นเพราะเราอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการคือความสงบความว่างของจิตใจเวลาจิตหยุดคิดหยุดทํางานแล้วจิตจะว่าง ถ้าเป็นเหมือนจอโทรทัศน์เวลาเราปิดเครื่องแล้วภาพบนจอจะหายไปหมดเหลือแต่จอเปล่าๆ เ, เวลาเราปิดทีวีนี้เราจะเห็นแต่ตัวจอเปล่าๆแต่พอเราเปิดโทรทัศน์ขึ้นมาเปิดทีวีขึ้นมาจะมีภาพอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยจิตเราก็เหมือนกันเวลาที่จิตเราคิดปรุงแต่งนี้มันก็จะเป็นเหมือนตอนที่เราเปิดจอภาพของใจ ใจเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆเ ต, ต็มไปหมดแล้วเราก็จะมาดีใจเสียใจกับภาพที่เราเห็นเห็นภาพที่เราชอบก็ดีใจเห็นภาพที่เราไม่ชอบก็เสียใจหรือหวาดกลัวขึ้นมาเนี่ยบางคนนั่งแล้วไม่มีสติพอไปเห็นภาพที่น่าหวาดเสียหวาดกลัวก็ไม่กล้านั่งต่อไป ไม่ไม่ต้องกลัวมันจะเป็นภาพอะไรมันก็เป็นภาพภาพพยนตร์นี่เองเอหมือนดูหนังผีท่านั้นเองมันไม่ทําอะไรคนดูหรอกคนดูไปบ้าไปหลงมันเองไปไปไม่ชอบมันก็เลยกลัวมันเลยไม่อยากจะนั่งต่อไปอันนี้แก้ได้ถ้าเจอภาพเหล่านั้นอย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุทโธทันทีกลับมาที่ดูลมทันทีอย่าไปตามดูภาพเดี๋ยวภาพเหล่านั้นมันก็จะหายไป แล้วใจก็จะว่างจะสงบแล้วจะมีความสุขเวลามันสงบแล้วจากนั้นใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจจะเป็นใจที่แข็งแกร่งไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมีอะไรมาให้สัมผัสรับรู้ก็เฉยได้ไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดเสียวนี่คือสภาพของใจที่เราต้องการเข้าไปให้ถึงให้ได้เราต้องการดึงสภาพอันนี้ออกมาใช้ต่อไป เพราะการที่เราจะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้เราต้องอาศัยใจที่มีความแข็งแกร่งมีความมีความวางเฉยได้เพราะต่อไปเดี๋ยวกิเลสมันจะมาหลอกมาล่อเราเดี๋ยวจะมาชวนให้เราไปทำตามความอยากต่างๆถ้าเรามีความสงบมีโอเบคาแล้วเราจะเฉยๆมันจะมาชวนยังไงเราก็ไม่ไป แต่มาชวนเราไปเที่ยวเราก็ไม่ไปชวนเราไปซื้อข้าวซื้อของก็ไม่ไปนีแต่ถ้าใจไม่มีสมาธินี่พอใครมาชวนหน่อยนี้ไปทันทีเลยชวนมาวัดนี่ชวนกันเป็นเดือนเป็นปีแต่ถ้าชวนไปเที่ยวนี่ปป๊บเดียวไปเลยเพราะนี่คือใจของคนทั่วไปใจของคนที่ไม่มีอุบเบกขาไม่มีความสงบ แต่ถ้าใจของคนที่มีความสงบแล้วจะกลับเป็นการตรงกันข้ามถ้ามาชวนไปเที่ยวจะไม่ไปแต่ถ้าชวนไปวัดไปทันทีเลยเพราะชอบความสงบเห็นคุณค่าของความสงบว่าเป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือวิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบได้แล้วจะทำให้ใจเราเข้าสู่พระนิพพานได้ ตามลาดับพอผ่านขั้นสมาธิเราก็ต้องใช้ปัญญาต่อไปเพราะสมาธิยังไม่สามารถทำความสงบได้อย่างถาวรเวลาเอาจากความสงบมาถ้าเกิดความอยากก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่น่ายินดีเพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดเวลาหมดมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา งั้นอย่าไปอยากได้อะไรทุกครั้งที่อยากอะไรก็อย่าเอามันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเสียใจในภายหลังสู้เอาความสงบดีกว่าถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งที่ความอยากมันอยากได้กับความสงบให้เอาความสงบดีกว่าเพราะความสงบนี้จะไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีทุกข์ตามมาแต่สิ่งที่กิเลสที่ตันหาอยากได้มันจะมีความทุกข์ตามมาเพราะทุกสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยง มันไม่ใช่เป็นของเราเป็นสมบัติชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายเวลาจากกันรู้สึกอย่างไรสุขไหมดีใจไหมหรือร้องห่มร้องไห้กันก็เพราะเราไปอยากได้สิ่งเหล่านั้นพออยากแล้วก็อยากจะให้เป็นของเราไปเรื่อยๆพอเขาไม่เป็นของเราก็เลยเศร้าโศกเสียใจ นี่คือการใช้ปัญญาในการกําจัดความอยากอย่างถาวรพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อไปเราก็เลิอกอยากเราเอาความสงบอยู่กับความสงบเหอไปเราก็จะได้ความสงบที่ถาวรถ้าไม่มีความอยากมาลบกวนใจแล้วก็ใจก็จะสงบไปอย่างถาวรเป็นพระนิพพานขึ้นมานี่คือเรื่องของการมาวัดในวันหยุด ในวันที่เรามีเวลาว่างเพื่อที่เราจะได้มาเติมพลังให้แก่จิตใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องการปฏิบัติที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะมีกำลังวังชาพอเราจะได้เรียนรู้ทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง เราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตไปตามตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งดำเนินมาและสรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันพอเราปฏิบัติกันแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้เกือบไปถึงบ้านที่ปลอดภัยของเราบ้านที่เราไม่ต้องไปเวียนว่าตายเกิดกันอีกต่อไปจึงขอให้ท่านจงนอาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุมูทนาให้พรยาทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวาอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกาปติ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 มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวาอะพิวาธนาศิริสะนิตยังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาจะมีผู้อ่านให้อ่านคำถามให้แต่ขออย่าถามตอนที่เราเลิกประชุมแล้วพอหมดเวลาหมดกำลังถ้าอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง f a c e b o o สองร้อยสามสิบคนค่ะทาง y o u t u หนึ่งร้อยหกสิบห้าทางวิทยุออนไลน์สิบเจ็ดผู้เราฟังบนเขาหนึ่งร้อยสี่สิบคนและมีพระสงฆ์สิบเอ็ดรูปค่ะรวมทั้งหมดห้าร้อยหกสิบสามท่านค่ ะ, ะ, ะมีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจาก YouTube นะคะจากคุณแพทซี หากเราได้ประสบกับทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงจากความเสื่อมศรัทธาของผู้อื่นต่อเราเราควรปฏิบัติอย่างไรควรจะอดทนอยู่กับพุโทโธแล้วปฏิบัติต่อเขาด้วยส่วนที่เป็นกุศลยอมให้ส่วนที่เป็นอกุศลนั้นผ่านไปใช่ไหมคะคือเราต้องใช้ปัญญายอมรับว่ามันมีเกิดก็มีดับมีรักก็มีชัง รักวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเกลียดกันก็ได้เห็นเราอย่าไปอยากให้เขารักเราตลอดแล้วเราก็จะไม่เสียใจถ้าเราไปอยากให้เขารักตอนที่เขาไม่รักเราเราก็จะเสียใจเห็นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้รับกับเขาได้ทั้งสองอย่างเขารักเราก็ได้เขาเกลียดเราก็ได้เขาศรัทธาในตัวเราก็ได้เขาไม่ศรัทธาในตัวเราก็ได้แล้วอย่างนี้เราจะไม่มีความรู้สึก ทุกไปกับเขาเราจะไม่ต้องทําอะไรรู้เฉยๆว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอา น, นิจังไม่เที่ยงอนัตตาไปควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าอยากให้เที่ยงอยากให้เป็นของเราเวลาไม่เป็นก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนานการที่เรารับคําตอบว่าจากในายใหญ่มาโดยไม่ได้กล่าวโทษอีกฝ่ายเลย เราทำถูกไหมคะหรือเราควรจะบอกความจริงทั้งหมดเพื่อปกป้องตัวเองคะกราบขอบพระคุณคะ่ะก็อยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่ต้องบอกเขาหรือเปล่าถ้ามีหน้าที่ไม่บอกก็ถือว่าบกพร่องทางหน้าที่ได้ถ้ามีหน้าที่บอกก็บอกถ้าไม่มีหน้าที่บอกก็ไม่ต้องบอกอยู่ที่ว่าเขา ที่เจ้านายเขาพูดมานี้เขาพูดมาให้เรารับรู้เฉยๆหรือว่าให้เราไปบอกเขาอีกต่อหนึ่งก็ถามเจ้านายดี๋วก่อนว่าจะให้ไปบอกเขาเลยถ้าให้บอกก็ไปบอกถ้าเขาไม่บอกไม่ได้ให้บอกก็บอกเพียงได้เรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องบอกคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามว่ารักษาศีลอะไรที่จะไปสวรรค์แน่นอนเจ้าคะ าการรักษาศีลไปสวรรค์ไม่ได้รักษาศีลเพียงแต่ปิดประตัวบายาไม่ต้องไปเกิดในอาบายถ้าอยากจะไปสวรรค์นอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องทําบุญด้วยต้องทำสองอย่างรักษาศีลหน้าให้บริสุทธิ์แล้วก็หมั่นทําบุญอยู่เรื่อยๆแล้วตายไปก็จะได้ไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ คำถามจากคุณนันทณีดาวีวงศ์กราบนมัสการขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะจัดการอย่างไรกับความรู้สึกโกรธแค้นใ น, ใ น, อ, ในอดีตคู่ครองที่เลิกรากันไปหลายสิบปีแล้วที่ยังฝังลึกในใจใช้การแผ่เมตตาให้ก็คลายแต่นานๆทีก็โผล่ออกมาเหมือนโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดค่ะ ก็ต้องคิดว่ามันเป็นอนดีตแล้วมันผ่านไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เกิดไปแล้วไปคิดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้ใจเราโกรธเกลีย ด, ดไปเปล่าๆก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันเป็นไปแล้วถ้าเราไปอยากเอาแพ้เอาชนะเขานี่มันก็จะทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเรายอมแพ้ยอมรับกรรมของเรา ยอมรับการกระทำของเขาว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปทำแล้วมันก็ผ่านไปแล้วถ้ามันยังคิดอยู่เวลาคิดก็ให้หยุดความคิดเสียเช่นใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอคิดถึงเขาทีไรก็พุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วสบายใจคิดถึงแฟงเก่าแล้วอกหักเสียใจก็อย่าไปคิดเท่านั้นเอง มันอยู่ที่ความคิดของเราฉะนั้นหยุดความคิดได้ปัญหาก็จะจบแล้วถ้าใช้ปัญญาได้ก็จะหายขาดไม่จะไม่คิดอีกต่อไปว่ามันเป็นอดีตไปแล้วท่านว่าอาดีตเป็นเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้เราฝันได้ฝันดีพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมดแล้วไปคิดถึงมันทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรมีคำถามจากคุณศิกา กลาบเรียนถามที่เราทําบุญแล้วขอใบอนุอนโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีจะได้บุญใหม่คะเป็นการขอให้รัฐบาลช่วยทําบุญให้เรากับเราเราขอเงินส่วนหนึ่งคืนคือเราทำเราทำไปร้อยหนึ่งแต่เราอยากจะขอคืน10 บ, บาทเราก็เลยขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อเราจะได้ไปลดหย่อนภาษีคือให้รัฐบาลเขาทาแทน เราก็เลยไม่ได้ทำเต็มร้อยบุญเรากลับน้อยลงเพราะว่าเราได้เงินคืนกลับมาเราทำร้อยหนึ่งแล้วเราไปขอคืนสิบบาทก็เหมือนกลับไปทำเ0้าสิบบาทอย่าไปทไปขอใบอนุโมทนาบัตรให้เสียเวลาถ้าเราอยากจะได้บุญเต็มร้อยก็ทำไปเลยไม่ต้องไปขอลดหย่อนภาษีคำฐานจากคุณสวัยพยับทองดิฉันเลี้ยงเด็กไว้เขาเรียกแม่ดิฉันมีความสุข เพื่อนๆบอกอยู่ดีๆไม่ชอบเพราะดิฉันไม่มีลูกดิฉันอยากให้เขาเรียนสูงๆมีงานดีๆทำซึ่งเด็กไม่ใช่ลูกหลานดิฉันจะได้บุญใหม่เจ้าคะ่ะไดใ้ใครได้เด็กได้หรือคนทำได้คนที่เลี้ยงดูเด็กนะจะได้บุญไม่ว่าจะเป็นลูกของตอนเองหรือไม่เพราะเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้บุญเหมือนกัน ส่วนเด็กก็ได้ไดไดรับความเมตตาได้รับการเลี้ยงดูได้รับการสนับสนุนเขาได้รับประโยชน์เด็กไม่ได้บุญคนที่เสียสละเงินทองเลี้ยงดูเด็กนะี่ยได้บุญคําถามจากคุณเลือดอุ่นทิพย์ทำไมอัตตามันดับไปแล้วแต่มันเกิดขึ้นใหม่อีกทุกๆนาทีเลยครับอาจารย์มันจะเริ่มโตเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ มันก็อยู่ที่เราไปส่งเสริมมันเราไปลดมันถ้าเราต้องการลดมันก็เราก็หยุดคิดถ้าหยุดคิดอัตตามันก็จะลดลงไปถ้าคิดมากอัตตามันก็จะมีมากตามขึ้นมาอยู่ที่ความคิดเนี่ยอัตตาเกิดจากความคิดของเราเกิดจากความจําของเราอัตตาเกิดสังเกตจากสังขารจากเกิดจากสัญญาเวลาเราพุทโธพุทโธเราก็จะหยุด สัญญาสังขารไปในทางอัตตาได้เป็นพักๆไปถ้าจะให้มันหยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอัตตาตัวตนจริงๆไม่มีมีแต่เป็นการเป็นการสมมุติขึ้นมาสมมติว่าเป็นเราเช่นร่างกายนี้มันเป็นเราที่ไหนเราก็ไปสมมติว่าเป็นเรามันเป็นดินน้ำลมไฟแต่เราไปเรียกว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเดี๋ยวเวลามันจากเรามันก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจ เพราะมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวเราเป็นของเราเราไปสมมุติขึ้นมาเองเราต้องหยุดสมมุติหยุดความคิดความคิดเนี่ยความจำเนี่ยเป็นตัวสร้างสมมุติขึ้นมาเราก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธหยุดแล้วใช้ปัญญาสอนว่าไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นดินน้าลมไฟเท่านั้นเองหมแล้วเล นี่คือความหลงที่พวกเราหลงมาเป็ น, นีเป็นเวลาอันยาวนานจนเชื่อกลายเป็นความจริงเหมือนคนสมัยโบราณเชื่อว่าโลกนี้แบนนะก็เชื่อกันว่าโลกนี้แบนกันจนในที่สุดมีนักวิทยาศาสต ร, ร์มาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่แบนมันกลมแล้วยิ่งสมัยนี้มีจรวดส่งออกไปนอกโลกแล้วถ่ายภาพของโลกได้ ทีนี้ก็เล้ไม่มีใครหลงเชื่อว่าโลคนี้แบนทุกคนรู้ว่าเป็นโลกกลมพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่มาสองคนพบว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนทักอย่างทุกอย่างตรนี้เป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟต้นไม้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟจิด ผ, ผู้มาครอบครองร่างกายก็ ไปคิดว่าร่างกายเป็นจิตนั้นเองแต่จิตก็เป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดไม่มีตัวตนในจิตเช่นเดียวกันอ่าต่อไปมีคำถามจากคุณอูนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมารม่ะกราบขอบพระคุณค่ะก็เหมือนกับการไม่ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง แต่ไม่ยืดมั่นถือมั่นก็ต้องเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติผัดกันชมไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกันทำอารมณ์ก็เกิดแล้วก็ดับวันนี้อารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ดีก็หมดไปเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็เข้ามาแทรกเดี๋ยวก็อารมณ์เฉยๆไม่ดีไม่ร้ายมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอเราไปเห็นอะไรเข้าที่ถูกใจเราวันนั้นก็อารมณ์ดีพอไปเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจวันนั้นก็อารมณ์ไม่ดีหรือบางทีไม่ได้เห็นเพล ง, งแต่ไปคิดถึงเรื่องไม่ดีก็ทําให้เกิดอารมณ์ไม่ดีนั้นของเหล่านี้บางทีเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ก็ให้รู้ว่าไม่เป็นไรมันจะดีไม่ดีมันก็มาแล้วก็ผ่านไปให้มันดูว่ามันเป็นเหมือนเมฆบนท้องฟ้าก็แล้วกันบางวันท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆ บางวันก็เมฆไม่มีวันนี้เห็นแดดออกมาเมื่อหลายหลายวันก่อนนี้ไม่มีแดดออกเลยมีแต่เมฆมันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าในใจเราหรือข้างนอกใจเราก็เป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับคำถามจากคุณจตุรนนะคะกราบนามัสการถามครับ <c oughs> กระผมภาวนาพุทโธมานานแล้ว แต่ยังไม่ก้าวหน้าควรเปลี่ยนคำบริกรรใหม่ๆครับมันไม่ได้อยู่ที่คำบริกรรมัมนอยู่ที่ว่าเราบริกรรแบบมีสติหรือไม่มีสติบริกรรแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่า บ, บริกรรแบบไม่มีสติแบบมีสติต้องมีแต่คำบริกรรอย่างเดียวพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวไม่ใช่พุทโธไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนควบคู่ไปด้วยงนั้นต้องมาเปลี่ยนมาดูตรงนี้ว่าเราทา บริกรรมถูกหรือเปล่าถ้าเราบริกรรมมีแต่คำว่าพุโทโธอย่างเดียวไม่มีความคิดเข้ามาแทกอันนี้เวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้หมดแล้วนะถ้ามีคาบริกรรมแล้วมันมีความคิดใหม่ๆ ม, มันยังมีความคิดอยู่ก็อย่าไปสนใจกับความคิดให้อยู่กับคาบริกรรมสู้กันไปมันเป็นเหมือนการชักกระเยอะกัน คาบริกรรมก็อย่างหนึ่งความคิดก็จะไปอีกอย่างมันจะเดิงกันไปเดิงกันมาเพราะนิสัยเดิมของเราเราชอบคิดกันเราคิดกันมาตลอดมันอยู่ดีๆจะให้มันมาคิดอยู่กับพุโทโธเรามันไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แต่เราต้องพยายามให้เราอยู่กับพุโทโธให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปอยู่กับความคิดเวลามีความคิดขึ้นมาก็อย่าไปสนใจขณะที่เรากาลังพุโทโธอยู่ให้เราสนใจอยู่กับพุโทโธ จนเหมือ น, นเรากำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วมีคนเข้ามาถามถามนู่นถามนี่เราก็ไม่ไปฟังเขาเราฟังแต่เสียงโทรศัพท์ของเราไปรเราต้องหัดควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าไปอยู่หลายๆเรื่องใจเราแตกใจถึงไม่สงบถ้าใจแตกเวลานั่งสมาธิมันไม่สงบใจมันต้องเป็นเดียวเป็นหนึ่งดังนั้นต้องบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียว ถึงแม้จะมีเรื่องอื่นมาแทรกก็อย่าไปสนใจแล้วต่อไปเรื่องต่างๆมันจะหายไปถ้าเราไม่ไปสนใจมีคําถามจากคุณนงรักษนะคะถ้าไปบวชโดยที่สามีและลูกไม่อนุญาตจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกการไปบวชเป็นงานไปทําความดีเพียง <c oughs> แต่ว่าอาจจะทําให้เขาเสียใจเพราะว่าเขารักเราเขาอยากจะให้เราอยู่กับเขา อันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นกิเลส ข, ของเขาเป็นความอยากของเขาเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาด้วยการพูดหรือการไปทำทุกตีหรือไปทำร้ายอะไรเขาเราเลือกเดินทางของเราเท่านั้นเองซึ่งเป็นทางที่เขาไม่อยากให้เราไปความไม่อยากของเขานี่แหละทำให้เขาทุกข์ใจเสียใจไม่ได้เป็นการกระทำบาปแต่อย่างใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเวลาไปบวชก็ทำให้พ่อทุกข์ไหม พระเจ้าแผ่นดินก็ทุกพระราชบิดาภรรยาก็ทุกขแต่มันเป็นทุกข์เพราะกิเลสไม่ใช่ทุกข์เพราะการกระทาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดคนถามจากคุณคิมคิมวุฒินะคะกราบถามพระอาจารย์หากยังไม่มิพานยังต้องมีการเกิดอยู่หลายภพชาติจะทำอย่างไรให้ชาติพบหน้า ที่เกิดมาแล้วไม่เป็นผู้กระทำชั่วอีกครับก็ต้องพยายามหัดทำถือศีลไปให้มั่นคงให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปพอไปเกิดชาติหน้ามันก็จะรักษาศีลต่อไปได้ทําอะไรให้มันเป็นนิสัยเช่นทําไมเรามาเกิดแล้วเราถึงใช้มือซ้ายมือขวากันก็เพราะว่าเราเคยทําอย่างไหนมามันก็จะทําอย่างนั้น ถ้าเคยใช้มือซ้ายมันก็จะมาใช้มือซ้ายต่อใช้มือขวามันก็จะใช้มือมือขวาต่อชอบสีเขียวมันก็จะมาชอบสีเขียวต่อชอบสีแดงมันก็จะมาชอบสีแดงต่อชอบสีเหลืองมันก็จะมาชอบสีเหลืองต่อไม่ชอบสีดำมันก็จะไม่ชอบสีดำต่อมันเป็นเรื่องของนิสัยที่เราปลูกฝังมาในแต่ละพบแต่ละชาติที่เราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นนิสัยไม่ดี เช่นแต่เรามีนิสัยทำบาปแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้เร า, าหาัดทำนิสัยไม่ทำบาปกันทุกครั้งเวลาที่จะทำบาปก็ห้ามจิตใจไว้ว่าไม่ทำไม่ดีทำแล้วมีผลเสียหายตามมาสอนใจไปอย่างนี้เรื่อยๆหยุดใจไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดนิสัยไม่ทำบาปก้นมาเองแล้วต่อไปไปเกิดชาติหน้ามันก็จะไม่ชอบทำบาปหไห้แมคนเราที่มาเกิดในโลกนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันใช่หม บางคนก็ทำบาปบางคนก็ไม่ทำบาปคนที them, ่ทำบาปก็เพราะว่าเขามีนิสัยอย่างนี้มาคนที่ไม่ทำบาปก็เพราะเขามีนิสัยไม่ทำบาปมาดังนัทุกอย่างเราสามารถปลุกฝังได้นิสัยนี้ปลูกฝังได้นิสัยไม่ดีก็ถอดถอนได้นิสัยดีก็ปลุกฝังให้มันให้มันเจริญตอบโตขึ้นมาได้อยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่การควบคุมใจของเรา